ดังนั้นเรื่องใหม่ๆเราเนี่ยลองหาวิธีการในบ้านเราลองกลับไปดูอะไรที่มันตั้งที่เดิมเลยลองเปลี่ยนมุมตั้งบ้างอ่ามันจะไปบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทันทีนะแล้วเราย้ายเพียงแต่ย้ายมุมย้ายที่จัดของจัดที่อะไรในบ้านใหม่ในห้องนอนของเราที่เคยมันลกลุงหลังจัดมันเสื้อใหม่ที่เคยมันเป็นยุ่งเป็นใหญเป็น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 การนั่งเหมือนกันเคยนั่งพิงก็นั่งเหมือนเดิมนะก็พอเปลี่ยนมาตั้งแล้วชักไม่สะดวกละในตรงนี้สังเกตสิ่งเล็กเล็กน้อยๆนะเราเคยขาดอะไรอะไรที่เราเคยมีพอมันขาดปับ๊บเราก็จะงุนหงิดเราก็จะวีุดวุ่นวายนะเราก็อยู่ชีวิตแบบเคยมินมีแล้วก็คอยขาดดูบ้างเป็นยังไง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 คือในอช่องหน้ตาต่างข้างหน้าเนี่ยคนสองคนอยู่ตามช่องเห็นน้ําคล้ำเห็นน้ําคล้ำอยู่ข้างหน้าหน้านอกบ้านเห็นน้ําป่าน้ําคล้ำบ้านสลํมมานะคนสองคนยืนตามช่องคนหนึ่งเห็นพระจันทร์ของอัมภัยแต่คนหนึ่งเห็นแต่น้ําคล้ำดาพิปปีมองออกไปช่องหน้ตาต่างเดียวกันมันเป็นป่าน้ําคล้ำนึกภาพออกไหม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 เขาเวิบากเพราะว่าความตื่นรู้ไม่มีโอกาสได้ฟู้งฟักไม่มีโอกาสได้พัฒนาแต่บางคนที่ร้ายไปกว่านั้นมีโอกาสได้ฟู้งฟักมีโอกาสได้ฝึกฝนแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเอออันนี้วิบากกรรมจริงๆต้องปล่อยตามะปล่อยตามกรรมล ะ, ะปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วฟังธรรมก็ฟังแล้วฝึกฝนก็ฝึกแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่ะไอไขวิทยาศาสตร์นี่เขาไปฟักออกลูกไหม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 1>, 1. พับเียบซ้ายสองพับเพียบขวาสามอะไรนั่งทับโซนสี่นั่งภูเขาห้านั่งชั้นเขาหกคัศมถแบบไม่ทับขาเจ็ดคัศมถชั้นเดียวแปดคัศมาสองชั้นเก้ 9, าัศมาสามชั้นนี่ทำก็ได้ไม่ทำเราคุณทำไม่ได้สิบก็นั่งเหยียดขาสิบเอ็ดนั่งเก้าอี้สิบสอง